ยาีเรียเรื่องจะอยู่ไปทําไมจนแก่หญิงสาวคนหนึ่งชวนเพื่อนไปหาหมอดูซึ่งดูแม่นและแพงมาก หมอรับประกันความแม่นยำด้วยการดูนิสัยใจคอให้ก่อดถ้าไม่ถูกร้อยเปอร์เซนต์ก็ไม่ต้องให้ดูดวงต่อไปอีกประการหนึ่งคนมาขอดูดวงจะต้องทำใจเพราะหมอดูจะพูดตรงๆงไม่ไว้หน้าใครหมอดูมองดูหญิงสาวตั้งแต่ศีสะจะรดเท้าแล้วพูดว่าโครงสร้างร่างกายของเธอเป็นคนหยาบซาม ท่าเดินของเธอเป็นคนหยิบโยงจับจดทาอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันริเริ่มแล้วไม่ตลอดรอดฟังสะโพกของเธอเป็นคนชอบแสดงตัวดัดจริตชอบยักย้ายให้ชายชมก้นของเธอเป็นคนเกลียดคร้านชอบนั่งแช่แบะแชะหน้าอกของเธอเป็นคนเจ้าชู้และสกระปรกเลอะเทอะไม่มีระเบียบ ปากของเธอเป็นคนพูดพล่อยตลบตะแลงจมูกของเธอเป็นคนดื้อรัน้นดื้งเงียบขี้งอนในตาของเธอเป็นคนเจ้าเล่ห์แต่งโง่มีชาวัยแต่ไม่มีปัญญาไม่มีเป้าหมายของชีวิตหมอยังทักไม่ทันจบหญิงสาวก็ไม่อาจจะทนฟังต่อไปแล้วเพราะหมอพูดถูกต้องหมดทุกอย่าง แต่ที่มาหาหมอดูนี่เพราะอยากรู้เรื่องของหัวใจไม่ใช่มาให้หมอขูดลอกความเลยจนหมดเปลือกอย่างนี้เธอจึงขัดขึ้นว่าเอาล่ะค่ะดิฉันทราบแล้วหมอไม่ฟังเสียงทักทายอีกต่อไปว่าแต่ลูกคางกระพูของเธอดีนะจะเป็นคนอายุยืนเพื่อนของหญิงสาว ซึ่งนั่งเงียบฟังหมอทักมานานอดไม่ได้พูดโพล่งออกมาทันควันว่าอายุยืนนิสัยอย่างนี้เนี่ยนะจะอยู่ไปทำไมจนแก่